มองมาในวัฏฏะนั่นนะฮะมองมาในสังสารวัฏนี่นะฮะตัวเจตนานเขาจะเป็นตัวที่เป็นตัวพระเอกเป็นตัวตั ว, ต, วตัวที่ปรุงแต่งอย่างที่เราเราเรียนมาเนี่ยนะที่ผ่านผ่านมาก็มีบทบาทมากกว่านี้น ก, ก, ก็จะปรุงพูดถึงอเจตนาเจตนานี้ถ้าถ้ากล่าวตามปฏิจจะได้สองคำนี่ว่าทุกขณะจิตเหมือนกันเถอะเจตนานี้เรียกกระสองคำในปฏิจจะ คือกรรมมพบอย่างหนึ่งกับสังขารเนี่ยอย่างหนึ่งกรรมมาพบก็คือเจตนายี่สบเก้าสังขารก็คือเจตนายี่สิบเก้านั่นเองใช่แล้ ว, ก, ลวล <c oughs> ก, ก็แบ่งแต่อย่างที่เรานิยมกล่าวก็คือเนี่ย สุขติกับทุคติสุขติก็แบ่งออกเป็นมนุษย์เทวดาพรหมถ้าทุคติก็แบ่งเป็นอบายสี่เนี่ยนะก็นานักขะขณิกกรรมทีนี้ถามว่าสองตัวที่มันน่ากลัวนะระหว่างสหาชาตกรกมกับ น, นานักขะณิกกรรมเนี่ยคุณชูศรีกลัวอะไรมากกันกลัวนานักอะ เอานะจริงมันอยู่ด้วยกันน่ะนะสิ่งเดียวกันน่ะนะจริงๆอ่ะถ้ากลัวส่อถ้ากลัวนานักก็ต้องกลัวสหาชาตกรรมด้วยแต่ว่าตัวที่มันน่ากลัวจริงๆคือนานักข่ากนิกกรรมเพราะว่าในขณะสหาชาติกรรำนั้นทาบาปบางอย่างมันสนุกเลยไหมมันมีความสุขเงนี้เพราะฉะนั้นจึงบถ้าเฉพาะหน้าคนไม่ค่อยกลัวแต่ถ้ามามองในแง่นานักข่านิกขขน ก, กรรมก็เลยกลัว ทีนี้นานักขัตคณิกกรรมทำไมมันจึงเป็นมีผลต่อไปข้างหน้าอะไรร้อยมันให้มันมีผลเจตนาที่มันเกิดขึ้นนะก็อวิชากับตันหาแต่เฉพาะตัวตรงๆเลยคือตัหาเป็นตัวร้อยร้อยกรรมและผลของกรรมให้มันเชื่อมกันไว้ให้มันไม่หายเนี่ยนะคือมันเหมือนกับการทำสัญญาคำประกันอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วไอ้โครงการอันนั้นมันก็ล้มเลิก น, นเช่นเช่นสัญญาเกี่ยวกับการข้ามประเทศเรียกว่าสัญญาอะไรนะเขียนที่กรุงอะไรวอซหรือกรุงอะไรนะจำมไม่าดะก็สัญญานั้นก็บังคับผลใช้เนี่ยการโดสื่อสารเครื่องทางอากาศเนี่ยใช้มาตลอดอยู่จนถึงทุกวันเนี่ย่ น, นก็สัญญาสัญธิภาพเขียนร่างขึ้นที่ไหนมันก็แต่มันก็ยังมีผลใช้อ่ะนะกรรมที่ที่ทาขึ้นมามันเหมือนกับประชุมทําสัญญาอะไรกันขึ้น อ่ะนะแต่ว่าไม่ใช่กับใครหรอกคนเดียวนะเจตนาเนี่ยสังขารพวกนี้มันปรุงทำสัญญากันเบ็ดเสร็จแล้วว่าจะมีผลบังคับใช้แค่ไหนอะไรยังไงเ น, นเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยว่างเว้นจากการทำสัญญาใหม่ๆตลอดเลยนะเรานี่ขยันกันมากาออตัวตัวนี้ไม่ใช่ตัวตัวร้อยรัดเนี่ยร้อยรัดกรรมกับผล อายุหนะณะตัวนี้จะเป็นอายุหนณะเจตนาที่มันจะมีผลต่อไปนี่อายุหณนะนั้นถ้าผู้ที่เจริญวิปัสสนาชั้นสูงนะเขากลัวเจตนาเนี่ยมากคือคำว่ากลัวนี่เห็นภัยอย่างแรงกล้าว่าเจตนาตัวนี้นี่มันเลวร้ายที่สุดเนี่ยนะสมมตินะเขาก็าจะกลัวว่าถามว่ามันเลวร้ายยังไงถ้ามาเจตนานั้นไม่นาเกิดในนรกนะทุกในนรกทั้งหมดจะไม่มี ถ้าเจตานานั้นไม่นําเกิดในเดรัจฉานทุกในเดรัจฉานทั้งหมดไม่มีถ้าเจตานาตัวนี้ไม่นําเกิดในเปรตทุกแบบเปรตไม่มีถ้าเจตานาไม่นําเกิดในมนุษย์นะเช่นไม่ตั้งกต่ทุกตั้งแต่อยู่ในคันเป็นต้นไล่ามาเลยนะถ้าไม่นําเกิดไม่มีถ้าไม่นําเกิ ด, เ, กดเป็นเทวดาเออดีหน่อยยังไแต่เทวดานะพอไปขึ้นอยู่สังคมเทวดาก็ทุกข์อีกทุกอะไรบ้างเทวดาเขามีทุกข์เหมือนกันไหมทุกน คุนมีบอกทุกข์เพแย่งนางฟ้าอันนั้นก็อีกในหนึ่งแล้วก็ทุกข์อีกในหนึ่งนะเช่นเช่นสังคมชั้นสูงนี่เขาจะมีกันใช่ไหมคุณใส่แหวนเพชรวงใหญ่กว่าชั้นอ่ะนะนั้นชั้นไม่ค่อชอบอนะก็เขาจะมาเดือดร้อนอ่ะนะเขาจะทุกข์เพราะเรื่องนี้แหละทุกเรื่องเสื้อผ้าในะราคาเท่าไหร่อวดกระเป๋ากันบ้างอวดเครื่องประดับกันบ้างอวดรัศมีกันบ้างอวดบริวารกันบ้างอ่ะนะก็จะมาทุกข์เพราะเรื่องนั้นอีกอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้พ้นจากทุกข์อะไรอีกเลย นั้นพระเทวดาก็ทะเลาะ ก, กันเรื่อยก็จะมีกลุ่มกลุ่มเทวดาที่เรียกว่ามโนปะโะ น, นะคือพวกที่ประทุสร้ายทางใจนะเห็นหน้ากันแล้วมันจะเข็นจะฆ่ากันให้ได้ตายทั้งคู่อีกอย่างหนึ่งกับคิ ด, ดามปโตสิกะก็คืออันนี้เล่นมากลืมกินนะเป็นโรคกระเพาะตายโรคกระเพาะเทวดานะเนี่ยท่านอ่านในพระไตรปิฎกนะั้นเจอคำเนี่ยคำสั้นเท่านี้นะ ภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจรึงเรียกว่าสังขารเท่าเนี้ยดี๋ยวดูที่ถ้าเราไม่มีถ้าอาจารย์ไม่มาไม่มาบรรยายออกมาอย่างนี้เราจะเข้าใจได้แค่นิดเดียวว่ามันปรุงแต่งคําเดียวนั่นเองนะมันปรุงแต่งอะไรก็ยังไม่นู้เนี่ยปรุงแต่งเท่านั้นเลใช่นะแล้วก็พุทธพจน์ก็ให้ในต่อไปนะว่าปรุงแต่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่ถ้าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาปัจจัยมาเนะ จะแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นสหชาตกรรมอะไรเป็นนานขักคณิกกรรมเพราะฉะนั้นปีหน้าเสร็จผู้การนัดแน่ปีนี้จะลงประธานะคุณบันจูกแกฟังแล้วแกบอกว่าแกอยากจะถ่ายไอวิดีโอไว้แค่บอจะได้เอามาจะได้เอามัดทบทวนดู แล้วก็ค่อยฟังแล้วคิดเอานะนะค่อยๆฟังแล้วคิดเอาเพราะว่าให้มันอยู่ที่ความเข้าใจมากกว่าที่จะเห็นภาพเนี่ยนะถ้าอยู่ที่ความเข้าใจแล้วเราสามารถเขียนอะไรเรียกว่าชาติประกอบการเรียนได้ไม่มีจํากัดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะใครเรียนปฏิจจมุบานนะเอาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณตัวนี้ตัวนี้คำว่าสังขารตัวนี้ครับเจ๋อเลยนะเนี่ยถ้าถ้าสังขารในปฏิจจสมุบาทก็มองเฉพาะนานักขัตคณิกกรรม แต่ในขณะเดียวกันอ่ะตัวที่ที่วัดว่านานัข่าคนีก้กกรรมจะมีผลมากมีผลน้อยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่สหาชาตกรรมอันนั้นมันมันแรงขนาดไหนใช่ไหมคื อ, ค, อคือมันอยู่ที่อย่างสมมติว่าอ้าวคาพูดนะมันมีวิบากต่อไปข้างหน้าแต่คําพูดนั้นจะวิบากแรงจะให้ผลแรงหรือไม่แรงอ่ะอยู่ที่ว่าไอ้คำที่พูดเนี่ยมันหนักขนาดไหนอ่ะนะหนักแน่นขนาดไหนคําสังขารขึ้นมาใหม่ที่ครับไอ้ตัวสหาชาตกรรมเนี่ยครับ ที่ที่มันเกิดในในในยังไม่เป็นนานนักิกกรรมนะครับมันเป็นตัวเหตุให้ทำทำตัวสังขารขึ้นมาใหม่ครับก็ในในถามว่าในบรรดาธรรมะทั้งหมดนะปกติแล้วการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าว่าสัตว์ลุ่มหลงในสิ่งใดมากจะแสดงสิ่งนั้นเนี่ยจะขยายสิ่งนั้นเนี่ยมากถามว่าในระหว่าง สหชาตกรรมกับนานาักขัตคณิกกรรมนะสัตว์ลุ่มหลงอะไรมากกว่ากันเนี่ยนะลุ่มหลงสหชาตกรรมนะกลมสหชาตกรรมเนี่ยนะนะแสดงประมาณสิบห้าปัจจัยกลมนานาักขัคณิกกรรมสองปัจจัยเพราะอไรเพราะว่าคนที่ศึกษาคำสอนนะโดยรวมๆเชื่อบุญเชื่อบาปอยู่แล้วใช่ไหม เพราะนั้นเหตุนี้บุญเป็นเหตุแห่งความสุขบาปเป็นเหตุแห่งความทุกขนะ์นั่นที่จะมีผลต่อไปนี่ก็ก็เชื่อกันอยู่แล้วโดยปกตินะก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ค่อยสงสัยนะพวกที่สงสัยโดยมากไม่ไม่ค่อยมาฟังอยู่แล้วนั่นะนะแต่พันสิ่งที่ลุ่มหลงต่อไปก็คือสหาชาติกรรมว่าเวลาที่เช่นเจตนาที่พูดออกมาขึ้นมาทันทีเลยกี่ปัจจัยนะนะ ก็เวลายังเหลือจ้างจะสอนกันไม่รีบกลับมีแล้วถ้าพูดปัจจัย น, นะก็ตามสูตรเลยนะสหาชาตเนี่ยนะไอ้สหาชาตกรรมเนี่ยเจตนาที่มันมีผล ต, ต่อต่อรูปหรือนามทั้งหลายเหล่านี้นะไม่ใช่เฉพาะาสหาชาตกรรมอันเดียวแต่นี่เขาเรียกว่านิทัศนะคือตัวอย่างเท่านั้นแหละ แต่จริงๆแล้วมีทั้งหนึ่งสหชาตะสหชาตะนิสยะสหชาติทิเนี่ยนะสหชาติอวิคตะสี่ปัจจัยอย่างนี้เขาเรียกว่าสหชาตะชาติใหญ่ไม่ใช่สหชาติใหญ่นะที่แรกๆชอบเรียกสหชาติใหญ่ต้องเป็นสหชาตะแล้วก็ชาติชาตินี่แปลว่ากลุ่ม สหาชาตะเกิดร่วมเนี่ยนะแล้วก็สหาชาติชาติกลางก็ขณะที่เจตนาเกิดทําให้รูปเกิดนะได้สหาชาตะวิปยุตตะปัจจัยเห็นไหมมาไปสวดงานศพได้มาหลายสตังค์แลวสวดนี่แหละเนไหมสหาชาตะวิปยุตตะปัจจัยแล้วยังมีอะไรเห็นไหมก็เป็นอาหารปัจจัยที่เรียกว่า นามมหาปรปัจจัยประเภทมโนสันเจตนาหารเนี่ยนะเป็นมโนสันเจตนาหารอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นอะไรสหาชาตกรรมเนี่ยนะได้สหาชาตกรรมเนี่ยนะก็แล้วก็ถ้าเป็นปัจจัยแก่นามมาทำด้วยกันจะได้สัมปยุทธ์ด้วยเนี่ยนะถ้าเป็นปัจจัยแก่นามนะได้สัมปยุทธ์ได้ อันยะถ้าเป็นชาติวิบากได้วิปา ก, กับปัจจัยเนี่ยนะก็จะไ อ, ไอเจตนาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัจจัยสมัยอ่านปฐฐานก็เอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องนี้มากเหลือเกินก็แสดงว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนี่เราแยกอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะอวิชาลุ่มหลงมากว่าเช่นเจตนาความคิดทําให้เปล่งวาจาพูดออกมาหนึ่งคำเนี่ยเราไม่รู้เรื่องนี้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นม้างในนั้น นะหพระองค์สอนมากแต่ตรงไหนที่สอนมากๆก็ตรงนั้นเราก็ไม่ค่อยชอบปกตินะใช่ไหมตอนเด็กๆนะถ้าแม่สอนมากๆชอบไหมสอนเรื่องอะไรมากนะเน้นหน้าชอบไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ตอบ <c oughs> อ้า สหาชาตกรรมไม่คําว่ามีผลปัจจุบันคือผลขณะนั้นเลยเช่นเช่นพูดปั๊บเนี่ยเจตนาเกิดขึ้นแล้วพูดออกมาเนี่ยคำพูดถือว่าเป็นผลของเจตนาเช่นเจตนาให้เป็นเหตุลุกอาการลุกถือว่าเป็นผลของเจตนาอันนั้นอันนั้นสหาชาตกรรมขณะเดียวกันพร้อมกันคือคือพร้อมกันขณะ น, นั้นเลยเช่นกระพริบตาเนี่ยเจตนาเป็นเหตุให้กระพริบตาผลก็คือการกระพริบตาก็เกิดขึ้นทันทีนั่นไง หรือว่าพูดเนี่ยเจตนาเป็นเหตุให้เปล่งวาจานะเจตนานี้ก็พูดทันทียืนขึ้นเจตนานั้นก็ทันทีอนนี้ผลแบบเห็นเห็นกันเลยสหชาตะเกิดร่วมกันนั่นก็สหชาติกรมันกันอืมปัจจุบันแลกสัปรายนอ่ก็ปัจจุบันก็ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ชาติหน้าก็อุปชเรรป า, เป า, ปาเวทนิยกรรมสัมปรายภพก็อภราปรยะเวทนิยกรรมทีนี้อย่างที่คุณว่าถ้าหากว่าไปพูดใกล้ๆเลยนะเขาพูดคนมือไว้นะก็ด่าเขาคำหนึ่งเขาฟัดมารเปรี้ยงหนึ่งแล้ววิบากมันเกิดอันนี้ถือว่าเป็นผลทันตามไหมอันนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่โดยกรรมมาปัจจัยแล้วแต่ว่าไอไอวิญญาตตัวนี้เนี่ยนะที่ทั้งกายสุจเรศวจีสุจเรศที่ล่วงออกมาอันนี้เป็น อุปนิสัยปัจจัยไอเจตนาเนี่ยเป็นอุปนิสัยเช่นยกตัวอย่างนะถูกต้าขึ้นมาเลยทุกขากายญาวิญญาณเกิดที่หน้าเนี่ยนะไอเจตนาอนั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ไว้วิบากเกิดขึ้นไม่ใช่กรรมาปัจจัยแต่อุปนิสัยปัจจัย อ๋ไม่ถ้าเฉพาะนี้เพราะคือประโยคะมันวิบัติอ่ะมันจึงให้ผลเน่ยนะถ้าพูดดีๆมันก็ไม่มีผลอะไรอันนี้มันไม่เกิดเนี่ยน ะ, นะแต่ว่ากรรมมันทําไปแล้วเอาพูดอย่างนี้นะว่ า, วาให้ตรงนะสังสารวัตรนะไม่มีเว้นมัดผลเสียกรรมอื่นที่ไม่ทําไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วแต่ประโยคะตอนนี้จะให้ให้ผลก็ได้จะให้ให้กุศลให้ผลก็ได้จะให้อกุศลให้ผลก็ได้ ะจะให้เช่นจะให้กุศ ล, ลวิบากเกิดขึ้นได้ไหมได้เช่นสมมุติอย่างที่ว่าถ้ายิ้มไปเขาก็ยิ้มตอบนะกุศ ล, ลวิบากก็เกิดขึ้นทันทีเลยนะคลากระยืะ่นไปเขาก็ยื่นมาคลาแบบเนี้ยกุศลวิบากเกิดขึ้นแต่ถ้าจะประโยค่าวิบากให้เดือดร้อนตอนนี้เลยก็ได้อย่างเงี้ย น, นะเพราะคืออดีตเหตุนี่มันทําไม่มากนะอันก็ทีนี้ผู้ที่ศึกษาบางกลุ่มก็สนใจอุปนิสัยปัจจัยเมื่อกี้นี้คุณมันชูบอกว่าไปซัดเขาป้ามหนึ่งแล้วครับ ก็เลยตอนนี้ก็ผมอยากให้ท่านว่ามันปรุงแต่งไอท้ที่ไอ้ไอุ้ดที่สองเนี่ยมันไปปาบเมื่อไหร่กับคุณมูชูทีนี้ถ้าสมมติว่าปรุงแต่งเจตนาที่ไม่ดีขึ้นเนี่ยนะก็มาดูว่าคุณภาพอันนั้นเนี่ยเจตนาที่ที่สมมติว่าไปประทุสร้ายผู้อื่นเนี่ยประทุสร้ายใครนะก็เอาบุคคลที่ที่ถูกประทุสร้ายมาวัดเช่นถ้าไปประทุสร้ายกับเดรฉานที่ที่ตัวเล็ก น, นะนมันก็โทษน้อยเช่นยุงมดแมลงเนี่ยนะตัวเล็กๆนะก็โทษน้อยลงมาถ้าตัวใหญ่กว่านั้นก็โทษมากกว่านั้นถ้ามาเป็นมนุษย์ก็มีโทษกว่าเดรัจฉานทั้งหมด น, นะนะทีนี้ถ้าเป็นมนุษย์ก็มาแบ่งอีกว่ามีศีลหรือไม่มีศีลแล้วมีเกรดของศีลดีกว็วัดอีกว่าศีล ร, ระดับไหนก็โทษไปตามนั้นหรือว่าพ่อแม่หรือพระอรหันต์หรือพระ พ, พุทธเจ้าอย่างไงนะถ้าไอ้ป้าที่ว่าเนี่ยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยโห อ, อันนี้คดีใหญ่มากนะเรื่องใหญ่ แสดงว่ามันตามไปปรุงแต่งอย่างนั้นใช่ไหมครับคือคือไออันนี้วัดว่ามันจะมีผลต่อไปยังไงนะแต่ก็เป็นเรื่องการปรุงแต่งอยู่ดีใช่ไหมครับขณะนั้นก็เชื่อว่าประกอบเหตุไวแล้วประกอบเหตุจะมีผลบังคับใช้หรือไม่ก็อยู่ที่องค์ประกอบอื่นๆว่าไปไปเส้นป๊าปที่ว่าเนี่ยป๊าปกับใครเข้านะป๊าปกับคนมีบุญเข้าเนี่ยนะอาจจะติดคุกภายในไม่กี่ชั่วโมงอย่างเง้นมันก็ก็ปัจจัยมันเยอะ เจตนาที่เจตนาที่ทำไปครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วเมื่อทําไปเสร็จแล้วมาระ ล, ลึกถึงและร้อนใจภายหลังนี่นแสดงว่าเจตนาตัวนี้นี่เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เกิดความร้อนใจเป็นกับเป็นอุปนิสัยปัจจัยเช่นเอ่าทุกความทุศีลย่อมมามาซึ่งความเดือดร้อนใจในภายหลังอันนั้นโดยอุปนิสัยปัจจัยธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมนในผู้ศาสนานะครับอุปนิสัยปัจจัยประเภทปัจจตูสัส่วนใหญ่คือปัจจตูปนิสยปัจจัย นนะเหตุธรรมที่ทําไว้ด้วยดีเนี่ยนะครับมันจะเป็นอุปนิสัยเช่นเรียนวันนี้เพื่อความเข้าใจในวันหน้าเนี่ยนะวันเราวันนี้เรียนก็เข้าใจน้นอยกว่าพรุ่งนี้นะถ้าพรุ่งนี้ยังไม่ขาดอะไพรุ่งนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลักษณะเนี่ยนะคือสะสมบ่มนิสัยทั้งหลายแหล่เนี่ยกลุ่มอุปนิสัยปัจจัยที่เป็นปกตูปนิจยปัจจัย ส่วนวิญญาณนักขันบ้างนะวิญญาณนักขัก็คือดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าวิญญาณเพราะรู้แจ้งจึงเรียกว่าวิญญาณถามว่ารู้แจ้งอะไรรู้แจ้งรสเปรี้ยวบ้างรสขมรสเผ็ดรสหวานรสคืนรสไม่คืนรสเค็มหรือว่ารสจืดเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นวิญญาณเพราะวิญญาณนี้รู้แจ้งซึ่งอารมณ์เนี่ยนะเห็นชัดที่มันชิวหาเนี่ยนะบางคนนี่ขีดความสามารถในการชิมรสนี่เก่งๆเนี่ยนะ สามารถชิมเล่าได้ว่ามันรถมันยังคงเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอาชีพบางอย่างก็ชิมอย่างเดียวก็อยู่ดีมีสุขเหมือนกันนน่สังเกตว่าวิญญาณี่ทนพูดถึงเยบาบาดฉพาะรูเนี่ยกะีบากใช่ อันนี้ยกยกตัวอย่างคือโดยทั่วๆไปเนี่ยนะคําว่าวิญญาณเนี่ยโดยวิเคราะห์ศาสวาวิศยาวิชานานลักษณะเนี่ยนะรู้อารมณ์เป็นลักษณะทีนี้การแสดงก็เพื่อไม่ให้ซ้ํากับอย่างอื่นด้วยในหนึ่งนะอีกในหนึ่งมันชัดมากที่สุดเนี่ยนะอนุภาพของวิญญาณที่มันชัดก็คือเนี่ยทวารลิ้นนะนีถ้าเทียบกับทวารอื่นๆนะทะวารลิ้นเนี่ยชัดถ้าทวารใจอะ่ะ ตัวชาวนะเนี่ยอะไรชัดเจตนาเนี่ยชัดชาวนะทั่วๆไปนะเจตนาเนี่ยชัด น, น, น่าจะมีที่อื่นนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าที่ไหนื่องในสังขารในนี้เนี่ยหมายความทั้งสองอย่างยังไงใช่ไหมังคัรเลย สังขารที่ว่าปรุงแต่งเนี่ยนะเอาทั้งสองอย่างเล ย, ร ป, ร ป, ยปรุงแต่งทั้งที่ทเป็นสหาชาตกรรมและ น, นานาักขคณิกกรรมแต่ว่าตรงนี้ยกตัวอย่างมาเฉพาะสหาชาตกรรมให้ดูในในสูตรนี้นะ อ, ะอนุสนทิทแรก อ, น, นะอนุสนทิทนี้เขาแบ่งตามข้อนะเฉพาะตรงนี้ ตอนแรกนี้พูดถึงสุญญาตาก่อนสุญญาตาคืออะไรคือขันท่าถือว่าคําว่าสุญญาตาแปลว่าว่างว่างจากสัตว์ใช่ไหมว่างจากสัตว์บุคคลหญิงชายเป็นต้นนะีเรียกว่าสุญญาตาหมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นผู้ที่จะเจริญวิปัสสนาก็พิจารณาขัน5อันนั้นแหละทีนี้สุญญาตาเนี่ยนะหรือขัน5อันนี้ก็มีลักษณะเฉพาะตัวรูปรูปปณณลักษณะคือสลายไปเวทนาสเสวย อ, อารมณ์สัญญา จำเนี่ยนะที่ว่าจำสีเขียวสีเหลืองสีแดงน่นะสังขารปรุงแต่งขันห้าวิญญาณรู้แจ้งอารมณ์เนี่ยนะค่าแยกแบบนี้เนี่ยแยกถึงวิเศษความพิเศษ เ, ษเฉพาะตัวของขันห้าให้เห็นนี่เรียกว่าประกาศาลักษณะของสุญญาตานี่นะคือไอ้ขันห้ามันมีลักษณะเฉพาะตัวเฉพาะตัวเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างนะทีนี้ต่อไปเนี่ยจะประกาศไตรลักษณ์ของ ขันห้าทีนี้ในสูตรนี้แสดงเฉพาะทุกคลักษณะอย่างเดียวว่าโดยการพิสูจน์ทั้งหลายในข้อนั้นอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราถูกรูปกินอยู่แม้ในอดีตการเราก็ถูกรูปกินแล้วเหมือนกับที่ถูกรูปปัจจุบันเนี่ยกินอยู่ในบัดนี้ก็เรานี่แลพึงชื่นชมรูปอนาคตแม้ในอนาคตการก็คงจกถูกรูปกินเหมือนกับที่ถูกรูป ปัจจุบันเนี่ยกินอยู่ในบัตร น, นี้นะเคี้ยวกินนะทุกขลักษณะเราบอกอันนี้จังเอเขาบอกว่าเป็นทุกเป็นโรคเป็นแดงหัวฟีเป็นแดงลูกศรเป็นของมืดเป็นของร้อนบอตรงนี้บอกว่าเคี้วกินเลยนะแสดงว่ากรอบมากเลยนะเคียยกินเนี่ยอร่อ ย, ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เ, เรานี่ติดในขันห้าเพลิดเพลินในรูปประคันเนี่ยก็ถูกรูปมันกินเอาสิเนี่ยนะก็จริงๆแล้วกินนะเพราะว่ารูปเนี่ยมันมีอะไรมันมีความอยู่นิ่งอยู่ในตัวของมันโดยที่มันไม่ ไม่มีการบดไม่มีการย่อยไม่มีการขยับเยื้อนในตัวรูปเนี่ยมีไหมในโลกนี้ไม่มีมันมันมีกา ร, เ, รเคลื่อนไหวทั้งหมดเลยนะไม่มีรูปใดที่มันนิ่งหมดไม่มีนะมีการเคลื่อนไหวหมดแต่ว่าจะช้าหรือเร็วก็แล้วแต่ปัจจัยด้านอื่นๆไ ป, น, น, ไป น, นั่นไนะมันก็เลยกินกระเพาะนะนะ่นน อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้บัดนี้เราถูกเวทนาสัญญาสังขารบัดนี้เราถูกวิญญาณนิกินอยู่แม้ในอดีตการเราก็ถูกวิญญาณนิกินแล้วเหมือนกับที่ถูกวิญญาณในปัจจุบันนิกินอยู่ก็เรานี่แหลพึงชื่นชมวิญญาณอนาคตแม้อนาคตการเราก็คงถูกวิญญาณเนี่ยกินอยู่เหมือนกับที่ถูกวิญญาณในปัจจุบันนะอยู่บัดนี้ เธอพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมไม่มีความอะไรในวิญญาณที่เป็นอดีตย่อมไม่มีความชื่นชมวิญญาณที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนับเพื่อความดับวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะ<ว>คือมุ่งกําจัดฉันทราคะในวิญญาณทั้งหมดที่ ท, ที่เกี่ยวข้องนะเพราะอะไรเพราะว่าวิญญาณทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันต่างกันตรงไหนมันเหมือนกันหมดนะมันถูกเคี้ยวกินหมดเลยนะมันมันเคี้ยวกินเพราะว่ามันต้องอาศัยปัจจัยขึ้น ไอ้คำว่าเคียวกินเนี่ยเอาอะไรมาอธิบายก็เอาชราพยาธิมรณะเอาโศกกะปริเทวะเอาความร้อนเป็นต้นเนี่ยมาอธิบา ย, ย <c oughs> ทีนี้ขึ้นต้นประกาศไตรลักษณ์ด้วยทุกขลักษณะอย่างเดียวก่อนเป็นอันดับแรกทีนี้เมื่อจะประกาศลักษณะอื่นๆ น, นะไตรลักษณ์ไม่ใช่มีอันเดียวใช่ไหมประกอบไปด้วยอันนี้จังทุกขังอนาตาทีนี้อย่างในข้อหนึ่งร้อยิบเนี่ยกล่าวเฉพาะทุกขลักษณะก่อน ทีนี้เมื่อจะประกาศลักษณะอื่นๆต่อไปคือจะประกาศอันนี้จังทุกขังอนัตตาว่าดูความพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้นอ น, นั้นเป็นชนัยรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะพิสูจน์เหล่านั้นก็กราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือห n อที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่หย ใครเคยไปซ้อมอย่างนี้บ้างวันก่อนเคยบอกครั้งไงไปซ้อมๆ อ, อ่ะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะนะเคยซ้อมบ้งยคุณกลอยใจยไปซ้อมพราก็ยังเลยไปไปไรว่างๆก็แหมต้องรอว่างก่อนไหมน่าจะบอกว่ามันต้องไปเจริญนี่เนอะหรือว่าต้องจัดเวลาจนว่างให้ได้เพื่อจะเจริญอันนี้นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เดียวกัน ว่าวิญญาณนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจาา้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราไม่ควรอย่างนั้นพระเจาา้าค่ะเนี่ยนอันนี้ก็คือประกาศถึงขันทั้งหมดเหล่านี้ให้ชัดเจนขึ้นแล้วประมวลขันโดยโอกาสสิบเอ็ดเนี่ยนะเรียกว่าปริเชตปริเชตนี่แปลว่า การกําหนดก็ได้เนี่ยนะการกําหนดหรือแยกแยะโดยสิบเอกองว่ารูปขยายเป็นสิบเอเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แจกเป็นสิบเอนี่ยก็เรียกว่าแบ่งเป็นปริเฉศสิบอถ้ากล่าวโดยติกะหนึ่งติกะคืออตีตตะติกะทุกกะอีกสทุกะคืออชะตะทุกะอย่างหนึ่งหินะทุกะอย่างหนึ่งอ ะ, อะไรทุกะทุเรทุกกะอีกทุกะหนึ่งเนี่ยนะใกล้ๆนะก็คือ รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในหรือภายนอกภายในภายนอกเรียกว่าอัชฉระทุกกะหยาบหรือละเอียดนี่เขาเรียกว่าโอราลิกะทุกกะนี่นะโอราลิกะเลวหรือประนี๊ก็หีนัทุกกะอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็เป็นสันติเกทุกกะนี่นะสันติเกวาทุเรวาเนี่ยสันติเกทุกกนะก็เป็นติกะ1ทุกกะอีกส เนี่นะเ น, 11, นี่ยนะติกะแปลว่าหมวด3ทุกกะแปลว่าหมวด2องเนี่ยนะสาครั้งก็เท่ากับ3แล้วใช่ไหมติกะคือหมวด3าและทุกกะก็หมวด2อีก4ก็เป็น4เป็น11นะว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาหรือละเอียดเลวหรือประเีตยไกลหรือใกล้รูปทั้งหมดนะคือทั้งหมดนั้นมันก็เป็นรูปนะมันจะว่าอยู่การไหนมันก็รูป เานั้นเธอทั้งหลายเพึ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรานะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันว่าวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีต ท, ทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลหรือใกล้นะทั้งหมดนั่นก็คือวิญญาณหรือว่านะมันจะอยู่ที่ไหนมันก็คือวิญญาณอนนะ อานสรุปนะว่ามันจะอยู่ที่ไหนมันก็ขันห้าอดีตก็ขันห้าอนาคตก็ขันห้าปัจจุบันก็ขันห้าภายในก็ขันห้าภายนอกก็ขันห้าหยาบก็ขันห้าละเอียดก็ขันห้าเลวก็ขันห้าประนีตก็ขันห้าใกล้ใกล้ก็ขันห้าหมดเลยเพราะฉะนั้นอริยสาวกก็เห็นด้วยวิปัสสนาปัญญาอันชอบวันนั้นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเรา ดูการพิสูจนทั้งหลายอริยะสาวกนี้เราแตถาโคดเรียกว่าจะปราศจากสะสมสังสมจะละทิ้งจะไม่ถือมั่นจะกระจายจะไม่รวมเข้าจะทำให้หมอดไม่ก่อให้ลุกโลงสรุปว่าไม่สะสมขันห้านะนะคือท่านจะเลิกสังสมขันห้าต่อไปนะของเราได้อีกเยอะเลยนะวันนี้เฉพาะที่มาเรียนนี้ได้ขันอีกหลายกองเลยนะ จะละทิ้งไม่ถือมั่นขันห้าจะกระจายไม่รวบรวมขันห้าจะไม่ทําให้หมอดไม่ก่อคือจะทําให้หมอดขันห้าจะไม่ก่อขันห้านะนะสรุปน่ว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้จะเบื่อหน่ายทั้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกําหนัดเพราะคลายกําหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็ มียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชาติว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนี้เราเรียกว่าจะไม่สังสมไม่ปราศจากสังสมแต่จะเป็นผู้ปราศจากสังสมดํารงอยู่นะในข้อหนึ่งร้อยหกสามหมายถึงพร ะ, ะเสขะนะส่วนข้อหลังมาก็จะเป็นพระอเสขะคือเป็นพระอรหันต์คือพระอรหันต์นี้ก็ ไม่สังสมขันห้าละทิ้งขันห้าไม่รวบรวมขันห้าไม่ก่อขันห้ า, านะเบื่อนายคลายกำหนัดขันห้าบททำกิจเสร็จเรียบร้อยเบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวดาพร้อมด้วยอินพรมและเท้าประชาราดีย่อมนมัสการภิกษุผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้แลแต่ที่ไกลทีเดียวถ้าใครทําได้อย่างงี้นะเทวดากราบพรมก็บูชาเนี่ยนะ คือพรมเขาเคารพแต่ไกลเลยนะเห็นแล้วก็ยกมือไหว้นอบน้อมเลยว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านแต่ถ้าใครสยบขันท่านะก็ดูหมิ่นมากเลยนะใครสยบให้ขันท่าก็ดูหมิ่นใครที่ไม่สยบให้ขันท่าเขายกย่องนะนะข้าแต่ท่านผู้เป็นอุดมบุรุษข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมท่านผู้ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายมิได้รู้จักโดยเฉพาะและพูดซึ่งได้อะ ผู้ซึ่งได้อาศัยเพ่งพินิจอยู่ก็คือคนที่ได้มีฌานเนี่ยนะและก็สูตรนี้เน้นประกาศทุขลักษณะเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันก็ไตรลักษณ์ทั้งสามนี่แหละท่านน่ะว่าท่านน่าจะอธิบายทุกสูตรเในในคันธวารวะนะมันดูมันดีทุกสูตรนะคุณมันเช่อถามอะไรให้คุณมันมี จำอะไรจำแนกให้สัตว์มีอายตนะไม่เท่ากันอย่างพรมนี่ไม่มีรูปกายนกระพุ่นนี่มีแต่ประสาทกายกรรมอะไรมันจําแนกให้อายตนะไม่เท่ากันออพรมเนี่ยที่ไม่มีประสาทกายเนี่ยเนื่องจากว่าสัญญาวิราคะในในการมสัญญาเนี่ยท่านหมดนะนะท่านท่านตัดเยื่อใยในในในฉันธราคะในในทวารจมกูกทวารลิ้นทวารกายได้หมดเลย โดยแต่วิขมมนาประหารส่วนไอสัตว์ที่มีแต่กายปภาษาทะอย่างเดียวเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่ผลบุญนะให้รู้ว่าไม่ใช่ผลบุญนะก็บาปประเภทไปปิดทาวารทั้งหลายแหลนะปิดตาปิดหูปิดจมูกแต่โดยรวมๆแล้วก็คือผลของมิจฉาทิฐินั่นเองอันนะเช่นเขาประกาศฟังธรรมแล้วก็ปิดตาปิดหูไม่อยากรับรู้อะไรสักอย่างกลุ่มนี้แหละนะนะนะสมควรกับเวลาแล้วนะ